พระเจ้าก็ดีพระสงฆ์ก็ดีผู้ที่เข้าสูงธรรมะผี่แว่ามโนธมแล้วก็ควรแต่การรับร่ายควรแต่การเรียกว่าเป็นผู้ที่ทำให้เรามีศรัทธาได้มีศรัทธาจากอะไรมีศรัทธาจากการที่เห็นว่าผู้ที่มีเลือดเนื้อเชื่อไขมีรูปร่างคล้ายๆเราเนี่ยแหละ เป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันแม้แต่พระพุทธองค์ก็ดีพระสงฆ์ตูบาจารย์ก็ดีก็เป็นมนุษย์เหมือนกับเรามีกายมีใจเหมือนกับเราเนี่ยแหละเคยมีกิเลสกันหาเหมือนกับเราเคยหลง ม, มาไม่รู้กี่พบ ก, กี่ชาติเหมือนกับเราเนี่ยแหละต้องวนเวียนต้องร้องไห้เสียใจ ทุมาหนักหนาตาหัสเหมือนกับเราเนี่ยแหละแต่ก็มีสิ่งหนึ่งซึ่งเรียกว่าสามารถทําให้ออกจากกองทุกได้ทําให้เลิกในการวิ่นไหวแต่เกินได้คืออะไรก็คือการเรียกว่าฝึกขัดจิตใจของท่านฝึกขัดให้เข้าถึงความเป็นจริงตามธรรมชาติก็คือการปฏิบัติธรรมนี่แหละทําให้เห็นว่าคนคนหนึ่ง ซึ่งมีกิเลสตัญหามีความหลงเช่นเดียวกับเราเนี่ยแหละมีความไม่รู้เช่นเดียวกับเราแต่ก็สามารถพ้นจากกิเลสตัญหาพ้นจากความหลงได้พ้นจากความทุกข์ได้เช่นเดียวกั น, นสามารถพ้นได้เหมือนกับดอกบัวนะซึ่งแต่ก่อนเง่าบัวมันก็อยู่ในโคลนตรมนะมันอยู่ใต้น้าอยู่ใต้โคลนในท้ำแต่ ดอกบัวก็สามารถเรียกว่าค่อยๆโผล่พ้นจากโคนตมนค่อยๆขุดขึ้นอค้นจากโคนต้นแต่ยังไม่ป้นน้ําก็ค่อยๆเรียกว่าสูงโตโตขึ้นมาจนทั้งพ้นจากน้ําได้แม้โคนต้น ม, มันจะเป็นสิ่งสกปรปกเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่เน่าเหม็นเป็นสิ่งที่หมักหมมซะดี แต่ความสกปรกความเน่าเหม็นแนั้นแหละมันทําให้บ่มเพราะกลายเป็นดอกบัวที่งอกงามไดนะ้เป็นของที่สืบเนื่องกันดนะอกบัวถ้าไม่มีคนตสมก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้แม้จะเอามาปลูกในกระถางก็ดีถ็ต้องมี ค, คนผสมเข้ามาด้วยเพราะมันเป็นที่อยู่ของดอกบัวมันทำให้ดดอกบัวงอกงามขึ้นมนุษย์เราก็เช่นเดียวกันธรรมสาติก็เช่นเดียวกัน ผู้ที่จะงอกงามกลายเป็นผู้รู้ผู้ซื่อผู้เบิกบานได้ก็มันงอกงามมาจากกิเลสตัณหานี่แหละมันงอกงามมาจากความหลงเนี่ยแหละถ้าไม่มีกิเลสตัณหาถ้าไม่มีความทุกข์มันก็ไม่มีการดับทุกข์ไม่มีการค้นทุกข์เนื่องด้วยมีทุกข์เนื่องด้วยมีกิเลสตัณหามาถึงค้นจากทุกข์ได้ค้นจากความหลงได้เนี่แหละมันเป็นสิ่งที่สืบเนื่องต่อกันทั้งนั้นนะ เพราะนั้นกิเลสตัณหาความหลงมันเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นสิ่งที่ดีที่สอนให้เราเรียกว่าทําให้เราสามารถพ้นจากมันได้นะมันไม่ใช่แค่มีหน้าที่ในการเกาะเหนียวยึดเราไว้ให้จมอยู่กับสิ่งต่ตางๆเหล่านี้มันอยู่ที่ตัวเราเองว่าจะเลือกที่จะพ้นจากมันหรือว่าเลือกที่อยู่กับมันนะถ้าเราเลือกที่อยู่กับมันเราก็เรียกว่าก็จมกับความ ประป ก, โฆโฆกรรอบโคโคความหลงอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราเลือกที่จะพ้นจากมันมันก็สามารถพัฒนาขึ้นมาได้เหมกับ ด, ดอกบัวซึ่งสามารถพ้นจากฝนฟอมพ้นจากน้ําได้นัปลอดภัยแล้วก็ไม่ใช่แค่แตัวเองปลอดภัยเท่านั้นแต่เมื่อตัวเองปลอดภัยแล้วความสวยงามความหอมความสดชื่นก็ทําให้ผู้ที่พบเห็นผู้ที่เข้าใกล้ได้สามารถพกับความสดความล่มเย็น กความสงบได้ผู้ที่ปฏิบัติธรรมดีแล้วก็เช่นเดียวกันก็สามารถทําให้ผู้อื่นพบเห็นมีความสุขความสงบมีความ เ, มเย็นได้บอกความนอื่นได้เนี่ยมันยังประโยชน์แก่ทั้งตนเองด้วยแล้วก็ยังประโยชน์ให้กับคนอื่นได้ด้วยยังประโยชน์ต่อสัพสัตต์ได้นะเรียกว่าพวกเรามาถูกการถูกเวลาเนาะมาถูกในยุคที่เรียกว่ามีพระพุทธศาสนาอยู่นะ ในโลกนี้มียุคที่เป็นยุคมืดก็ดีมียุคที่เป็นยุคสว่างสวัยก็ดีคือยุคที่มีผู้รู้ธรรมะแล้วก็บอกสอนธรรมะต่อ น, นี่แหละนะยุคที่มืดมิดไม่ได้ไม่ใช่ประ ม, มะไม่มีแจะพิมพแต่ว่าไม่มีคนไม่มีคนเรียกว่าคนพบไม่มีคนเปิดได้เหมือนกับที่นี่แหละศาลาที่นี่ถ้าไม่มีพวกเรามากลางคืนเขาก็ไม่เปิดไฟศาลาหลังนี้ก็จะมืดมิดอยู่ตลอดการนะ แต่พร้อมมีผู้รู้เดินขึ้นมาสู่ศาลารู้ว่าปั๊กไฟอยู่ตรงไหนก็สามารถเปิดไฟให้มัน ส, สว่างสวยได้ธรรมะก็เช่นเดียวกันธรรมะเหมือนกับไฟมันก็พร้อมสว่างที่มันมีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเพียงแต่ต้องมีผู้รู้นะรู้เฉยก็ยังไม่พอต้องกระทำํำนะรู้ว่าปั๊กอยู่ที่ไหนรู้ว่าไฟอยู่ตรงไหนก็ต้องกระทําด้วยในการเปิดนะเปิดให้มัน ส, สว่างสวยขึ้นมา นี่การปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันเพียงแค่รู้ว่าธรรมะดีเฉยๆยังไม่พอรู้ว่าวิธีการปฏิบัติธรรมเป็นแบบไหนก็ยังไม่พอก็ต้องเรียกว่าเมื่อเรารู้ว่ามันดีเมื่อเรารู้ว่าวิธีการเป็นแบบไหนอันนี้ก็เหลือแต่การกระ ท, ทําเท่านั้นเหลือแต่การกระทําที่จะนําให้ถูงความสว่างไสวหรือว่าทําให้เกิดเป็นปัญญาเนี่ยแหล ะ, น, หละนั่นนะเรียกว่าการปฏิบัติธรรมก็เลยเป็นเรื่องที่สําคัญ ถ้าพวกเราฝึกอัดจิตใจของเราให้เรียกว่ารู้ธรรมะเข้าใจธรรมะก็จะยังเรียกว่าประโยชน์ตนเองประโยชน์กับคนอื่นในกว้างขวาง ม, ม, มากขึ้นนะเราทําตอเนี้ทําให้ตัวเองพ้นจากความทุกข์ทำให้พ้นพบความสุขที่ง่ายๆที่สุดนะความสุขที่ง่ายที่สุดหายใจเข้าหายใจออกสามารถมีความสุขได้มองดอกบัวดอกสระ บ, บัวก็าสามารถจิ้มกับดอกบัวได้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้า เมื่อตอนอตัดอยู่ในที่ไหนผมรู้จําไม่ได้นะท่านชูดอกไม้ขึ้นดอกหนึ่งมีหมู่สมมีหมู่สมที่นั่งชมนั่งฟังอยู่ตรงนั้นมากมายมหาศาลนะท่านไม่ได้ตัดอะไรสักคำเท่านแค่ชูดอกไม้ขึ้นดอกหนึ่งก็มีพระมหากัตสปะท่านยิ้มตอบให้กับพระพุทธเจ้าอื พระเจ้าก็เห็นภาพหากัะสับยิ้มแต่ภาพลูกอื่นมีท่าทีสงสัยมีท่าทีคิดนะบางรูปก็อาจจะคิดว่าพระพุทธเจ้ายกดอกไม้ขึ้นมาทําไมก็ไปจมกับความคิดความสงสัยนะก็พยายามคิดหาคําตอบให้ได้หรือบางรูปเห็นดอกไม้สวยงามก็เรียกว่าก็ อ, อินก็จมกับความสุขที่เห็นดอกไม้สวยงามก็คอยกระเดืเพื่อเกินไปอ้อ ดอกไม้นี่มันสวยงามเนาะเ อ, อเราชอบเหลือเกินนะบางพวกก็เป็นแบบนั้นเรียกว่าคิดเป็นสองฝ่ายพวกหนึ่งก็คิดสงสัยหาคําตอบอีกพวกหนึ่งก็หลงก็จมอยู่กับสิ่งสวยงามที่เห็นตอนนั้นแต่พระมหากักุณปะท่านยิ้มนะพระพุทธเจ้าท่านยิ้มเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านชื่นชมความสุขในตรงนั้นด้วยแต่ท่านก็ตาหนักว่าแม้แต่ดอกไม้ที่ตอนนี้สวยงาม ทุกวันหนึ่งมันก็รุ่งร่นไปเช่นเดียวกันก็ไม่สามารถยึดถือได้ว่ามันเป็นว่าจะให้มันสวยงามอยู่แบบนั้นคือเราสามารถเรียกว่ามีความสุขจากการได้ดูได้ฟังได้ลิ้มรสได้สัมผัสอะไรต่างๆแล้วก็สามารถมีความสุขได้นะสามารถมีความสุขได้ในปัจจุบันนี่แหละทําอะไรก็แล้วแต่สามารถทําได้อย่างมีความสุขแต่ก็ต้องสนับดูด้วยว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่แน่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ตกอยู่ในความเป็นทุกข์นะ ดอกไม้ที่วันนี้สวยงามพูุนี้ก็เหี่ยวเฉา ว, วันต่อไปเขาดองโดยไฟกลายเป็นปุ๋ยให้กับดอกไม้ดอกอื่นให้สวยงามขึ้นมาวัฏจักรมันก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นนั้นวัยของเราก็เช่นเดียวกันตัวของเราเองก็เช่นเดียวกันวันนี้ยังเรียกว่ามีชีวิตยอยู่ยังสดใสเบ่งบานยังมีความรู้ยังมีสติปัญญาต่างๆแต่สักวันหนึ่งมันก็ต้องเหี่ยวเฉาก็ต้องเรียกว่า เราต้องตายเป็นผู้ตามคนอื่นบ้างเมื่อเราช่วยตัวเองไม่ได้ก็ต้องพึ่งคนอื่นบ้างเหมือนเช่นเดียวกันไม่สามารถที่จะไปยึดมั่นสําคัญหมายว่าจะต้องเรียกว่าจําองดูแบบนี้ตลอดเวลามันก็เห็นนี่แหละเห็นสิ่งภายนอกก็ดีก็กลับมาเห็นเห็นกายเห็นใจตัวเองด้วยนะกายใจตัวเองตอนนั้นเป็นแบบไหนแล้วกายใจที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปมันเป็นเช่นไรมันก็รู้ด้วยเหมือนกันนะ มไม่ยึดมั่นสำคัญหมายในกายใจในตอนนี้แล้วก็รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียกันมันก็เลยไม่ยึดมั่นสําคัญหมายในตอนนี้แล้วก็ไม่ยึดมั่นสำคัญหมายในอนาคตด้วยนะไม่กังวลถึงอนาคตอยู่กับปัจจุบันอดีตที่พันผ่านขึ้นมาแล้วก็เรียกว่าผ่านไปเก็บไว้ก็เป็นแค่บทเรียนเท่านั้นแต่ก็ไม่ได้เก็บไว้เพื่อเอามาทิมแทงจิตใจตัวเองหรือว่าเอามาเพื่อยกหมูชูหางตัวเองเช่นเดียวกันนี่แหละ การปฏิบัติธรรมนะมันก็จะทําให้พวกเราเห็นตรงนี้เข้าใจตรงนี้แหละกนะารฝึกการปฏิบัติก็เริ่ม้วยจากการที่มีสตินี่แหละนะมีสติสนักรู้ถึงการกระทําของเราในปัจจุบันนี่แหละนะนั่งอยู่ในตอนนี้ก็ขอให้รู้สึกว่าพลังนั่งอยู่นะกายมันนั่งนท่าไหนก็ให้รู้เช่นนั่งแดะนะกายมันนั่งท่านี้ใจเป็นคนคอยรู้นะนะนั่งไปเรื่อยๆมันเจ็บมันปวดมันเมื่อย พอคอยรู้เท่าทันมันนะจนิตใจมันกระสับกระส่ายจากความเจ็บความปวดความเมื่อยพอคอยรู้เท่าทันเขาลพมพัดสัมผัสเบาๆจิตใจมีความสุขคอยรู้เท่าทันจิตใจของเร า, ายุงมากัดสัมผัสกับผิวกลายเป็นความเจ็บกายเป็นความไม่ชอบสามารถรู้เท่าทันได้รู้เท่าทันกายแล้วก็คอยรู้เท่าทันใจของเราด้วยรู้เท่าทันสิ่งใดก็ได้นะไม่จําเป็นจะต้อง รู้อย่างใดอย่างเดียวหรือไม่จำเป็นต้องรู้แต่อย่างนี้ตลอดเวลาแล้วก็ไม่ไปรู้อย่างอื่นเลยไม่ใช่เนาะรู้อะไรก็ได้ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันขณะในตอนนี้ที่มันเนื่องด้วยกายเนื่องด้วยใจจริงจรงนีแหละรู้แล้วไม่เข้าไปจมกับความรู้รู้แล้วก็วางไปแล้วก็รู้สิ่งใหม่แทนรู้แล้วก็วางไปแล้วก็รู้สิ่งใหม่แทนการเวลาในปัจจุบันนะมันต้องหาสิ่งใหม่มาทดแทนขึ้นเรื่อย ถ้าเราไปยึดมั่นขางกฎหมายมันก็จะเรียกว่ามันก็จะกลายเป็นการกักขังเขาไว้เหมือนกับเหนกับน้ำนะน้ําแม้จะสะอาดขนาดไหนถ้าทิ้งไว้ในแก้วทิ้งไว้ในขันหรือทิ้งไว้ในอ่างวันนี้แม้สะอาดวันนี้ไม้สดใสแต่นานเข้าไปนะออกซิเจนมันก็จะเหยออกไปนะความสกะประกปะปะมันก็จะเข้ามาแทนที่ฟุ่รอนออมก็เข้ามาเรื่อยๆ ก็กลายเป็นน้าสกปรปกได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าน้ําที่ไหนที่มันไหลต่อเนึงเรื่อยๆไหลผ่านโขดหินก็ดีไหลผ่านออกซิโตดหินถ้ า, า, า, ออาไม่เกิดอากาศออกซิเจนขึ้นมาก็ดีผ่านตากไม้บ้างมันก็กลายเป็นน้ําที่ไหลกลายเป็นน้ําที่มีชีวิตกลายเป็น น, น้ําที่สะอาดอยูนะ่เพราะว่ามันเรียกว่าผ่านการกรองเราไปเรื่อยเราจะไปกักค้างนุเหนียวภาวะทําไว้ มันอยู่ต่อเนื่องนานๆเนานนนนะมันจะเกิดก็ให้มันเกิดมันจะดับก็ให้มันดับให้เรายอมรับเหตปัจจัยที่มันเกิดแล้วก็บรรดับของมันนี่แหละนะการสุขติจะทําให้ตรง น, นี้นะสุขติปติไม่ได้หยุดแค่สตินะแต่สติจะทําให้เกิด Geor สมาธิแล้วก็เกิดปัญญานะสติคือตัวเราต้องรู้ว่าตอนเนี้กายใจทําอะไรอยู่จะรู้รู้ว่าตอนนี้กําลังนั่งอยู่จรู้รู้ว่าตอนนี้กําลังคิดอยู่จะรู้ ถึงกายถึงใจก็ดีมันเป็นตัวระลึรู้เท่านั้นระลึกรู้แล้วก็อะไรมันรู้อะไรต่อมันรู้ว่ากายใจเนี้ยมันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์นะมันบังคับบัรชาไม่ได้นะไอ้ตัวเนี้ยคือตัวปัญญามันระลึกรู้อาการของกายของใจแล้วเกิดปัญญาในการเข้าใจว่ากายใจเนี้ยมันอยู่ตกตอยู่ในกฎของไตรลักษณ์ตกอยู่ในกฎของอริยสัจสี่ทั้งนั้นเนี้ยมันระลึกรู้ถึงสิ่งนี้ แม้แต่กายใจของเราเป็นเช่นนี้กายใจของคนอื่นก็เป็นเช่นเดียวกันกายใจของสรรพสัตว์ที่มีชีวิตก็ดีหรือแม้แต่สิ่งของที่ไม่มีชีวิตก็ดีก็ตกอยู่ในสภาวะอันนี้เช่นเดียวกันมันรู้ตรงนี้มันก็เลยไม่สาคัญหมายไม่แต่กายจใจของตัวของเราเองมันก็เลยไม่สาคัญหมายในกายใจของคนอื reality, opposite, ่นไม่สาคัญหมายในสิ่งอื่นวัตถุอื่นการไม่สาคัญมั่นหมายไม่ใช่ว่าการไม่ดูแลไม่รักษา ป, ปล่อยฟาลเลยนะไม่ใช่การไม่สําคัญยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่ว่าเราไม่ดูแลเราดูแลกายใจนี้อย่างดีที่สุดดูแลกายใจคนอื่นไม่ไปทําร้ายคนอื่นจากการพูดก็ดีจากการกระทํา ก, ก็ดีไม่ไปทําร้ายไม่ไปทําร้ายโลคนี้ให้มันร้อนมากขึ้นให้มันเสียสมดุลมากขึ้นพายายามที่จะทําให้มันดีขึ้นเรื่อยๆแหละแต่เราก็ทําเท่าที่ทําได้ทําแล้วก็ยอมรับด้วยว่า ทำมันอาจจะดีขึ้นก็ตามไม่ดีขึ้นก็ตามเราได้ทําแล้วยอมรับผลของการกระทาทด้วยอันนี้คือปัญญาที่เกิดจากการนึกว่าเข้าใจธรรมะนะเข้าใจความเปจริงของธรรมชาติเนาะก็กอนทีพวกเราได้ตั้งใจในการฝึกนะฝึกไปติดต่างมันก็จะรู้ก็จะเห็นก็จะเข้าใจเพิ่มขึ้นในตัวของมันเองแหละนะก็